2.2 งสธรรมะหลวงปูป่บุตดาและหลวงปู่เทศวงเล็บเปิดยีมีนาคม25งพห้ารดในวงเล็บสองจุดจุดนาที31อดวงเล็บปิดช้าหรือเร็วอะไรอย่างนี้เกิดจากความรู้สึกเปรียบเทียบทั้งสิ้นเลยเราอยากอย่างหนึ่งแล้วมันเป็นอีกอย่างหนึ่งเราก็ว่าช้าไปเร็วไปความจริงมันพอดีมันพอดีของมันแล้วแหละมันพอดีแก่เหตุก็จิตมันหิวอารมณ์นะ จิตมันยังมีตันหาครอบงำอยู่มันจะดิ้นนะจะไปยุ่งอะไรกับมันมันก็ดิ้นพอดีกับที่มันมีเหตุนั่นแหละฉะนั้นอะไรๆในชีวิตเราก็พอดีทั้งหมดเลยนะเหมือนหลวงปู่บุตรดาเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมคนทําน้ําปานะไปถวายท่านคิดว่าท่านแก่แล้วต้องมีวิตามินซีเยอะๆทําซะเปรี้ยวสุดๆไปเลยเอาไปถวายท่านเสร็จแล้วเหลือนิดหน่อยเอามาชิมอือเปรี้ยวเพราะท่านฉันแล้วก็ถามท่านหลวงปู่เปรี้ยวมากไหมคะ หลวงปู่บอกเปรี้ยวพอดีอีกวันหนึ่งทําสว่านเลยเมื่อวานเปรี้ยวไปเอาไปให้หลวงปู่นะแล้วมาชิมโอ้ยหวานไม่ไหวไปถามหลวงปู่อีกหลวงปู่บอกหวานพอดีอะไรๆพอดีหมดเลยนะเพราะฉะนั้นจิตที่ดิ้นขลุกขลักคลุกคลักนี่ก็ดิ้นพอดีเหมือนกันแหละถ้าเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันสมควรแล้วใจมันจะไม่ดิ้นรนใจที่หมดความดิ้นรนเป็นกลางนี่แหละเข้าใกล้ธรรมะแล้วหลวงปู่เทศถึงสอนบอกเครื่องหมายคําพูดเปิด ผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกทั้งปวงปิดเครื่องหมายคำพูดความเป็นกลางเกิดจากปัญญามันเห็นความจริงว่าทุกอย่างชั่วคราวสุข ก, ก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวากุศลอกุศลก็ชั่วคราวเมื่อเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวนะมันก็หมดความยินดีนินร้ายมันก็เป็นกลางฉะนั้นเป็นกลางนี่เกิดจากปัญญาไม่ใช่เกิดจากการเพ่งนะจิต ท, ที่เป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยเขาเรียกว่า จิตมันมีสังขารปเปกขายานมีปัญญาเกิดอุเบกขากับความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเห็นด้วยปัญญาเห็นเลยความสุขก็ชั่วคราวไม่เห็นจะน่ารักตรงไหนเลยความทุกข์ก็ชั่วคราวไม่เห็นจะน่าเกลียดตรงไหนเลยอะไรๆก็ชั่วคราวไปหมดดูอย่างนี้ก็เป็นกลาง